ก็ราบบูชาพระรตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลว ง, งพ่อเทียหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังหลวงพ่อกลมพระอาจารย์สรงเสินพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีและก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตาปกตินะ ตอนนี้ถ้าใคร <c oughs> รู้สึกง่วงๆก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นนิดนึงนะก็วันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่11อสิงหาคมพศสองพห้ารพรุ่งนี้วันที่ส2บสองก็ครบรอบ79ปี นะของหลวงพ่อคำเขียนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะของพวกเราที่ได้จะได้มาน้อมระลึกสนะิ่งที่เป็นคำสอนคำบอกนะให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ <c oughs> พรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนะน้อมระลึกถึงท่านนะก็ คงจะได้ร่วมกันทํากิจกรรมเหล่านั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะจากหลวงพ่อคําเขียนก็ดีหลวงพ่อเทียนก็ดนะีส่วนใหญ่ก็ที่ตรงลงมานะที่เราให้ให้เราเห็นนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานะจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายก็ดีหรือการที่เรา ไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังนะก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่ให้เราได้มาเรียนรู้การที่เราได้มาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็ตัวผมนิสตามาเองนะก็คิดว่าพวกเรานะได้มองเห็นภัยนะที่เกิดขึ้นนะจากการที่เราไม่รู้เท่าทัน นะในเรื่องของกายในเรื่องของใจนะคนที่ไม่เห็นภัยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ประมาทนะความประมาทนะเป็นหนทางแห่งความตายนะความตายในที่นี้ก็คือความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์ในจิตในใจนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะเราไม่ค่อยได้เรียนรู้มันเราพยายามที่จะหนีเราพยายามไปแสวงหานะความสุขสนุกสนานความเพลิดเพลินไม่ว่าจะเพลิดเพลินในการหลับการนอนเพลิดเพลินในการกินการอยู่นะเลิกเพลิดเพลินในการสันทนาการสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทําให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเป็นชีวิตที่ประมาทต่อเมื่อมี เหตุการณ์เรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงเช่นเจ็บป่วยขึ้นมาปกติเราก็สุขภาพดีเนะจ็บป่วยขึ้นมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงหรือมีญาติสนิทมิตรหายต้องมาตายลงไปนะตรงนี้ก็ทำให้เราก็รู้สึกนะโศกเศร้าเสียใจนะไม่สบายใจเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ ที่จะรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเรานะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประมาทบางทีเราก็ประมาทในวัยของเราเรายังอายุน้อยอยู่เรายังไม่แก่ไม่เท่านะเราก็สนุกสนานไปเพลิดเพลินไปนะไม่ได้ตระหนักไม่ได้สำนึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่ สักวันหนึ่งเราต้องตายเราไม่ได้เตรียมตัว้พร้อมเพราะฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองขึ้นมาความเจ็บป่วยก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่ได้ดังหวังมันมากระทบมันมาประสบพบกับเราเราก็ทําใจไม่ได้เราวางใจไม่ได้เราปล่อยวางไม่ไดต้ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ เราไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้ฝึกในการที่จะให้มีจิตมีใจเป็นปกตินะไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ฝึกสติเอาไว้นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความประมาะเพราะนั้นเมื่อได้ก็ตามนะที่เรารู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ราบรื่นดีมันสบายดีนะมันไม่มีทุกข์อะไรตรงนั้นนะให้ระวังให้ดีนะเขาบอกว่าน้ำร้อนเนี่ย ป่าเป็นน้ำเย็นป่าตายเพราะฉะนั้นการที่เราเสพสุขนะเสพสุขสนุกสนานความเพลิดเพลินสนุกสนานเนี่ยไอตัวนี้แหละมันทำให้ลืมเนื้อลืมตัวได้ง่ายและเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนทำให้สิ่งที่เราเคยสุขสนุกสนานเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปจะเป็นความตายก็ดีเป็นความเจ็บไข้ก็ดนะีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาบอกให้เรา นะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเพียงแค่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเรียกว่าท่านก็สลดหดหูขึ้นมาเลยว่าโอ้คนเรามันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอตัวท่านเองก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทาให้ท่านต้องหาวิธีการทำอย่างไรที่จะยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ ทำอย่างไรที่จะไม่ทำให้เราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะสุดท้ายทั้งกับค้นพบนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดานะที่มันจะต้องเกิดขึ้นทำใจยอมรับเสียนะแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนนะจิตใจของเราให้มีสติรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนในสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีชีวิตที่เพลิดเพลินสนุกสนาน นะไปกับความสุขนะความเพลิดเพลินหะรือการเข้าสังคมนะการสันนาการอะไรต่างๆก็ดีนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตที่ประมาทบางคนก็ไปหาความสุขนะกับสิ่งเสพติดต่างๆนะไม่ว่าเป็นสุรายาเสพติดบุหรีนะ่อันนี้เราก็ รู้สึกเพลินนะมันสูบแล้วมันเพลินกินเหล้ามันก็เพลินสนุกสนานนะต่อเมื่อโครคภัยไข้เจ็บมันมาเยือนนั้นน่ะเราก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เราทำนี้นะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนที่เราเสพตอนที่เราสูบเราไม่รู้หรอกว่ามันมีภัยมันมีพิษมีภัยนะเพราะว่าความเพลิดเพลินความสบายนะมันทาให้เรา รู้สึกว่าเออมันไม่เป็นปัญหาทำให้เราสบายนะนี่เรียกว่าชีวิตที่ประมาทนะเรียกว่าหลงไปในความเพลิดเพลินหลงไปในความสุขนะประนันตรงนี้เนี่ยนะจาเป็นที่เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันในความแปลปวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นกับกายทั้งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราการที่เราจะไม่ประมาทนะก็คือการที่เรามีสติ าการมีสติจริงๆสติเนี่ยมีอยู่ทุกคนนั่แหละแต่สติที่มีเนี่ยมันเป็นสติตามสัญชาติญาณในการพูดการคุยการทำนูน่นทำนี่ในกิจวัตรประจำวันแต่สติตัวนี้เนี่ยมันยังไม่พอใช้ในการที่เราจะให้รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเรารู้นะว่าความโกรธไม่ดีแต่มันก็ห้ามไม่ได้สักที มันควบคุมไม่ได้สัทีเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันปีดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันเลยพวกง่ายๆตอนนั้นเราลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่งต่อเมื่อใดก็ตามที่เรารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาโอ้แย่ละวนะเราโกรธกันไปแล้วนะบางคนก็ดีรู้จักยับยั้งชั่งใจได้นะไม่พูดไม่พูดออกไปไม่ด่าออกไปแต่มันร้อนรุ่มอยู่ในใจมันรู้อยู่อันนี้ก็ยังดีนะ บางคนนี่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่ามันโกรธปีติขึ้นมาเนี่ยด่าไปเลยตบตียิงกันแต่มาก็เห็นนะคนกรุงเทพเนี่ยแค่กับรถปาดหน้ากันนั้นนะมันยิงกันเลยนะเอาปืนยิงกันเลยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะเป็นชีวิตที่ไม่มีสติหรือมีสติน้อยนะเพราะนั้นสติที่มีอยู่โดยสัญชาตญาณหรือโดยสามัญเนี่ยมันไม่พอใช้ จำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกนะมาฝึกให้สติจากสติสามันเป็นมหาสติบ้านักการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยธรรมาก็เชื่อว่าหลายคนนะคงจะได้เห็นนะถึงทุกภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะแล้วก็มาสแสวงหาคนทางนะที่จะพ้นจากภัยจากทุกขเหล่านีนะ้ซึ่งการที่จะพ้นได้เนี่ย ก็คือจะต้องฝึกฝนพัฒนาจากสติธรรมดาสติสามัญให้เป็นมาสติขึ้นมาทีนี้สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นนามธรรมามันเป็นสิ่งที่เป็นนึกไปคิดเอาไม่ได้นหรือไปจดจำคำพูดมาแล้วก็เอาเข้าใจไม่ได้มันจะต้องทำมันจะต้องปฏิบัติลงไปนะซึ่งรูปแบบของการปฏิบัติก็มีหลายรูปแบบนะจะเป็น ใช้ลมหายใจก็ดีใช้คำบริกรรมก็ดีนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำกันนะแต่ที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเราจะไม่นั่งหลับตานะเราจะไม่นั่งนิ่งๆนะเราจะใ า, ายการเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์ในการปลุกความรู้สึกตัวหรือสติที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันฉับไวขึ้นให้มันว่องไวขึ้นนะตัวนี้เนี่ยถ้าเราฝึกดีๆ มันจะเท่าทันเท่าทันกายที่เคลื่อนไหวเท่าทันใจที่คิดนึกความทุกข์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะความคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เมื่อใรก็ตามที่เรารู้เท่าทันตรงนี้นะมันจะช่วยจัดการจัดระเบียบจัดสมดุลของอารมณ์ของความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยนะมันมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือความคิดที่ตั้งใจคิดเวลาเราทําการทํางานนี่เราก็หยิบออกมาใช้พอใช้เสร็จเราก็วางอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ความคิดที่เป็นปัญหาก็คือความคิดจุกคิดจิกคิดไม่จบไม่สิ้นเขาเรียกว่าคิดที่ไม่ตั้งใจคิดนะหลวงพ่อคำเกียนใจกรรมว่าลักคิดนะลักคิดก็คือเราไม่ได้ตั้งใจวันนึงวันนึงเราสังเกตไหมไอ้ความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ยมีไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก ใจที่ตั้งไอ้ที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ยเยอะมากเราเสียพลังงานไปกับความคิดชนิดนี้มากมายแล้วความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งเนี่ยการไม่รู้ไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนี่แหละที่ทําให้เราสุขสุขทุกทุกนะเรียกว่าวันหนะึ่งเดี๋ยวเราสุขเดี๋ยวเราทุกข์เดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบใจมันฟนะูมีความสุข ใครมาพูดสรนเรินเนยินยอก็ดีใจใครมานินทาก็ไม่พอใจชีวิตเรียกว่าขึ้นขึ้ น, น, นล ง, ลงคนณบราณก็บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็ตรงนี้นี่แหละวันหนึ่งขึ้นสวรรค์ตกนรกไม่รู้กี่ครั้งแต่มันมีอันหนึ่งที่ภาวะเป็นปกติเฉยเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปกติอยู่นะตรงนี้เนี่ยน่ะก็เรียกว่าเป็นความเย็นชั่วคราวนะเรียกว่านิพานชั่วคราวเพราะฉะนั้นในชีวิตประจาวันเราสามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้นะถ้าเราได้ฝึกสติได้เจริญสติเครื่องมือสำคัญนะที่เราจะใช้ในการเรียนรู้นะเรื่องความทุกข์การออกจากทุกข์น่ะก็คือสติหรือความรู้สึกตัวนั่นเอง สติเนี่ยท่านเปรียบเหมือนเป็นตาตาในตาเนื้อเรียนรู้โลกข้างนอกตาในคือตาใจความรู้สึกตัวเรียนรู้เรื่องข้างในเรียนรู้กายเรียนรู้ใจการเรียนธรรมะเรียนตรงที่กายที่ใจอ่านหนังสือมามากอ่านพระไตรปิฎกมามากถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจนะหรือมันไม่ใช่ของจริง การจดจำได้หมายรู้นั่นเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เราจดจำเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือก็ดีฟังคนนู้นคนนี้พูดก็ดีให้เอาไปปฏิบัติอย่าเพียงแต่อ่านแล้วก็จดจำแล้วไม่ปฏิบัติไม่มีทางน่อ่านหนังสือแล้วจะบรรลุทำเลยเนี่ยยากยกเว้นคนที่มีพื้นฐานมาดีมีปัญญาดี หรือคนที้ฟังทำและบรรลุธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนะเราได้ยินในเราได้อ่านในพระเตมปิฎกก็ดีได้คนก็พูดถึงก็ดีว่าบรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมในสมัยครั้งพุทธกาลถ้าเราไปสืบรายละเอียดดูให้ดีคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ฝึกฝนเคี่ยวกรมตัวเองมาพอสมควรเขามีประสบาการณ์มีพื้นฐานมาพอสมควรไม่ใช่ไม่เคยทําอะไรมาเลยเนะมานั่งฟังแล้วปิ๊งเลยเนี่ยมันน้อยคนมาก เพราะนั้นเราอย่ยไปเอ่อเรียกว่าไงอย่ายไปมักง่ายในการที่จะเข้าใจธรรมะแค่ฟังแค่อ่านแล้วจะบรรลุธรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเราลงมือกระทำนะด้วยตัวเราเองมีประสบาการณ์ในการปฏิบัติจากประสบาการณ์ตรงเนี้เรามาได้ยินได้ฟังมันจะไปปิ้งพอดีกับประสบาการณ์ที่เราผ่านมา ทำไมก่อนเนี่ยตัวผมกับมตามาเองก็ชอบอ่านหนังสือชอบฟังธรรมะแล้วก็คิดเข้าใจเอาว่ามันจะเข้าใจธรรมะด้วยการอ่านด้วยการฟังนะมันก็เข้าใจนะมันก็รู้นะแต่ว่าพอเจอกับสิ่งที่มาทำให้เราพอใจไม่พอใจนะหรือว่าเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทันความรู้ว่านั้นมันเอามาใช้ไม่ได้ ต่อเมื่อเราได้ฝึกฝนนะแล้วก็ได้ยินได้ฟังประกอบกันนะก็ทำให้เรามีหลักนะในการที่จะผเผชิญกับอารมณ์ต่างๆความคิดปรงแต่งต่างๆหลายคนฟังหลวงพ่อเทียนฟังหลวงพ่อคำเขียนแล้วไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นประสบะการณ์มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไปในจิตในใจที่เกิดจากการปฏิบัติ เะนั้นถ้าเรายังฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนั่นก็คือเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราพยายามนะที่จะรู้ด้วยการฟังอย่างเดียวแต่เราไม่ลงมือปฏิบัตินะบางคนไปฟังอาจารย์ท่านนูน้นฟังอาจารย์ท่านนี้ไปฝึกที่นั่นฝึกที่นี่นะแต่ไม่ได้เอาจริงอะ่ะทำๆหยุดจุดนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ไม่ทำ นะอย่างมาที่วัดป่าสุโกโตเนี่ยบรรยากาศมันสบายๆแล้วเราก็ไม่มีการบังคับอะไรบางคนมานะก็เพลิดเพลินนะกับบรรยากาศนะขยันก็ทําไม่ขยันเราก็นอนนะบังคับตัวเองไม่ได้นะเรียกว่าเพลิดเพลินไปกับความความสะดวกสบายความสุขนะซึ่งอันนี้เป็นชีวิตที่ประมา เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติแล้วนะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเนี่ยก็เพราะว่าเราประมาทนั่นเองเราประมาทในการกินการอยู่การใช้ชีวิตนะเราไปหลงไหลในความสุขในการหลับการนอนในการกินเราไม่พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ยากเวลาปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใหม่เนี่ยมันต้องเจออารมณ์ที่มันไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด หลายคนเข้าใจว่ามาปฏิบัติธรรมจะสบายสบายจะสงบจะนิ่งแต่มาปฏิบัติทีไรเจอแต่อารมณ์ฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหันอนความเบื่อหน่ายความปวดความเมื่อยเดี๋ยวจะพะยิ่งคนที่ติดสบายนะส่วนใหญ่มาเนี่ยไปไม่รอดหรอกเขาเรียกว่าอินทรีลูกคุณหนูอาจารย์ดวงศิล์นะชอบใจคํานี้อินทรีย์ลูกคุณหนูนะไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมนะนะ ตรงเนี้ยการที่เราติดความสบายนะตรงเนี้ยเป็นความประมาทเราไม่รู้ตัวเพราะนั้นความสบายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่กระตือรือร้นอยู่ไปวันวันนะึงนะไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ทำตัวเองนะไม่ได้ฝึกเรื่องของการเจริญสติยเฉพาะ ก, การฝึกในรูปแบบเนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะหลายคนบอกไม่เป็นไรไม่ต้องไปฝึกหรอก เราปฏิบัติทำด้วยการทํางานก็ได้นะคนที่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็มีพื้นฐานมาแล้วเขาพอตัวแล้วที่จะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเพดัะนั้นคนใหม่ก็ดีหรือคนที่ยังยังไม่สามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวยังมีความทุกข์ในการกินการอยู่ก็ดีในการใช้ชีวิตก็ดีเนี่ยให้ทําฝึกในรูปแบบให้มากๆนะแล้วก็ เายุกใช้ในการงานก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยาว เ, เป็นหลักนะเอาเป็นหลักคือการฝึกในรูปแบบได้ให้มากๆเดินจงกรมสร้างจังหวะนะโดยพะกลุ่มที่มาประจำเดือนครั้งนี้นะทั้งหมดประมาณ23คนเมื่อวาน19คนมาเพิ่มอีก4คนนาะมาใหม่เมื่อวานอีก4คนรวมแล้วก็เป็น23คนในกลุ่มประจำเดือนเนี่ยนะก็ตั้งใจนะในการปฏิบัติให้ดี ใช้เวลาทุกเวลานาทีให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวการที่เรามีสติอยู่ทุกเมื่อ ก, ก็คือชีวิตที่ไม่ประมาทเป็นชีวิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่บ่อยๆใหม่ๆเนี่อรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรแต่เผลอแล้วเรากลับมารู้แต่เผลอคิดไปกลับมารู้ความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านอันนี้เป็นอุปกรณ์ให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่เป็นอุปสรรค นาหลายคนอาจจะบอกเป็นอุปสรรคโอ้ยไม่ไหวแล้วง่วงนอนเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งบอกโอ้โหมันง่วงขนาดหนักเลยไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันง่วงขนาดหนักเลยเขาง่วงขนาดหนักเนี่ยถ้าเขาอยู่คนเดียวเขากลับไปนอนแล้วนะแต่คนนี้ก็ไม่นอนเพราะมันมีกลุ่มอ่ะนะเพื่อนเขาก็ไม่หลับเราก็ไม่หลับใช่ไหมก็ลุยกันต่อไปมันก็เจอเหมือนกันนะเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันง่วงเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันง่วงสนุกเลยตรงนี้มัะนั้นการฝึก จเจริญสติเนี่ยนะเราต้องเรียนรู้ทุกทุกอารมณ์อย่าไปว่าโอ้โหมันต้องสุขสบายสงบไม่ใช่ใหม่ใม่มันจะเจออารมณ์พวกนี้แล้วเราผ่านอารมณ์พวกนี้ทะลุอารมณ์พวกนี้ไปนะําก็จะไปเจออารมณ์ที่มันเ อ, อบาสบายขึ้นโปร่งโล่งขึ้นนะแต่ก็ไม่ติดอีกเหมือนกันนะคนเก่าเก่าที่เคยฝึกมาแล้วเนี่ยอย่าไปติดในอารมณ์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สบายอารมณ์โปร่งโล่งเบาสบายนะพราน้้นตรงนี้เนี่ย ให้เราเรียนรู้ลงไปตรงที่กายที่ใจนะชีวิตที่ไม่ประมาทคือชีวิตที่มีสติและสตินั้นเกิดจากการฝึกฝนไม่ใช่สติที่เกิดจากการนึกคิดเอาการเรียนธรรมะอย่าใช้ความคิดคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปก่อนดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวกลับไปมันจะคิดไม่เป็นไม่มีทางนะมีบางคนมาฝึกเนะี่ยตกใจเอ๊ะทำเดี๋ยว เดี๋ยวมันกลับไปไม่คิดเราทําไงอ่ะ น, อ น, น่ะอันไหนวิตกกังวลไปละน่ะสงสัยไปแล้ววันนั้นถ้าเรามีสติฝึกสติเรารู้เท่าทันความคิดเดี๋ยวมันจัดระเบียบความคิดเองอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดแต่ใหม่ใเนี่ยนะทิ้งให้หมดเลยคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอากลับมารู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวไอ้ตัวนี้จะเป็นทางผ่านผ่านทุกๆุกกอารมณ์ ใหม่ใหมให้เจตนาที่จะรู้สึกตัวหน่อยนะอย่าไปทำแบบลอยลอยยกมือลอยลอยนะมือเนี่ยให้สัมผัสกับท้องจริงๆให้สัมผัสกับสะดือจริงๆอย่าไปลอยๆเวลาเดินเนี่ยใหม่ๆก็ช้านิดหนึ่งอย่าไปเดินไวนะให้รู้สึกตัวมันอาจจะเพ่งจะจ้องไปบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวอยปรับมันอาจจะหนักจะหน่วงไปบ้างไม่เป็นไรแล้วเวลาเดินอย่าไปเดินแกว่งแขน เอาอิเลียบทเดียวรู้สึกที่เทา้าสัมผัสกับพื้ น, นที่เคลื่อนที่ไหวเอามือรวบไว้ไขว้หลังก็ได้กอดอกก็ได้อย่าเดินสบายแกว่งแขนหรือบางคนเดินแบบสวนสนามอะไรอย่างเงี้ยนะไอเนี้ยนะมันจะเพลินไปนะให้มีเคลื่อนให้มีหยุดบางคนเนี่ยยกมือไม่รู้จักหยุดเลยอัตโนมัติเพลินไปไม่รู้ตัวเหมือนกัน หรบางคนเดินเนี่ยเดินเป็นเสือติดจันทร์เลยไม่มีหยุดเลยเดินกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยนะอันนั้นไว้ใช้ต่อเหลอ ง, ง่วงเดินให้ไหวแก้ได้นะมีมีมีหยุดพักบ้างอะไรบ้างนะมันก็จะทําได้เรื่อยๆอันนั้นเพราะนั้นถ้าเพ่งถ้าจ้องถ้าหนักถ้าหน่วงขึ้นมาก็ค่อยๆปรับนะครูบาอาจารย์ที่แท้จริงคือตัวเราอะะนะนะก็คือการรู้จักปรับหลงบ้างรู้บ้างไม่เป็นไร รู้ว่าหลงนั่นก็คือรู้เมื่อหลงเมื่อเผลอไปก็กลับมารู้สึกตัวนาที่กายเคลื่อนไหวนตเมื่อทำในรูปแบบมากๆเนี่ยมันจะขยายผลนะไปในกิ จ, จวัตรประจาวันแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวกินข้าวด้วยความรู้สึกตัวขับถ่ายด้วยความรู้สึกตัวอาข้าห้องน้าม้องท่าด้วยความรู้สึกตัวอย่างห้องน้ำเนี่ยก็ติดไป้ายไว้นะบอกว่าตาุณาถอดรองเท้า บางคนม่มีสติใส่รองเท้ากาไปเลยเปะเลอะเทอะหมดนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติเปิดประตูปิดประ ต, ะตูเสียงดังปึ้ ง, ป, งปั่งปุ้งปังนี่ก็ไม่มีสติแล้วนะบางทีฝึกสติในรูปแบบดีดีแต่พอออกจากรูปแบบทท้งนั้นแหละเผลอไปเลยนะเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยจุดสำคัญคือต้องมีความต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าไป สำคัญเพียงแค่ในรูปแบบพอนอกรูปแบบก็ไม่ทําละแต่บางคนเนี่ยโอ้ยเวลานั่งสร้างจังหวะดีๆเดินจงกรมดีๆแต่พอเป้งหมดเวลาจับกลุ่มคุยกันเลยนะเออตรงนี้เนี่ยมันหลุดเลยนะเพราะนั้นที่ที่ทํามาเนี่ยมันหายไปหมดเลยเพราะนั้นอย่าไปเห็นแก่การพูดการคุยการสันทนาการสวนเสเฮฮา เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนของคนปฏิบัติทำไมไม่กล้าหน้าทำไมพัฒนาเพราะเราไปติดแค่ในรูปแบบเท่านั้นเองอะ่ะแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะมีความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจาวันการเดินจากหอไตไปศาลาหน้าก็จับกลุ่มคุยกันละเดินกันไปคุยกันไปนุ่งนิงนุ่งนิ่งนะบางคนคุยกันเสียงดังเออเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าไม่มีสติ นะเพราะนั้นท่ายดีนะปริกวิเวกเลยต่างคนต่างไปเดินไปนะด้วยความรู้สึกตัวไปถึงที่นั่งก็นั่งสร้างจังหวะนะไม่ต้องไปคุยนะหรือก็มีงานอะไรช่วยกันเล็กๆน้อยๆนะอย่างกลุ่มประจําเดือนแล้วก็มีนะให้ช่วยกันทําความสะอาดสาลาที่พักหอไตสาราหน้าอันะนี้ก็ทําด้วยสตินะ เนี่งอย่างที่วัดเราก็จะมีวันกรรมกรใช่ไหมพระประชวยกันปีที่แล้วมีนะวันกรรมก ร, รมเนี่ยมีภาพรูปนึ่งนะไม่ระวังตัวนะรถวิ่งไปนะี่ยตกรถเลยนะอันนี้ก็คือไม่มีสตินะเรียกว่าพอเข้ากลุ่มเนี่ยมันเฮฮาละมันสนุกสนานละไม่ระมัดระวังตัวอันนี้ก็คือไม่มีสติเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีสติคือผู้ประมาทนะผู้ประมาทนี่ก็คือเป็นหนทางแห่งความตาย ความตายในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตายในแง่ของร่างกายตายนะแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดความบาดเจ็บนะก็จะเกิดขึ้นได้แต่ผู้ไม่ประมาทนี่นก็คือคนที่ไม่ตายนนก็คือคนที่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้นะเป็นชีวิตที่ยืนยาวนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะในเช้าวันนี้นะเพราะนั้นการอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะให้เรามี ชีวิตที่ไม่ประมาทเป็นชีวิตที่มีสติอยู่ทุกเมื่อไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทําตัวนี้ให้มากๆนะเราก็จะได้ เ, เรียกว่าบูชาคุณนะของหลวงพ่อคำเขียนเนะ่งกับท่านก็จะพูดย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าให้เรากลับมารู้สึกตัวนะให้เรารู้ซื่อๆนะนะตรงเนี้ย ปณันการบูชาคุณการระลึกถึงครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะหลวงพ่อคำเขียนในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะในโอกาสที่ครบรอบ79ปีนะเรามาน้อมนำนะมาระลึกถึงมาบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินะก็จะให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองนะแล้วก็เป็นการเดินตามรอยของท่านนะที่ได้แน้นำมาสร้างวัดนี้เพื่อให้เราได้มาฝึกฝน ึกปฏิบัติให้มีสติสมกับคำที่ว่าเป็นสถาบันสติปัฏฐานเราจะมาวัดป่าสุโกโตเพื่อหาความเพลิดเพลินความสุขสนุกสนานกับการกินการนอนการสนเสเฮ่านะตรงนั้นไม่จะทำให้เราเสียเวลาในการที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุโกโตและการที่เราเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความประมาทนะแล้วก็จะทำให้เราเ ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ที่มันมาเยื่มเยินเราอยู่ตลอดเวลา น, านี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้อะไรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิ ง, อ, งอาคุณของพระศีรันตนาฏย์นะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่สแสดงปรากฏนะ่ทั้งในจิตในใจ ทั้งในส่วนของร่างกายและก็สภาพแวดล้อมต่างๆนะที่มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไ ม, ไ, ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราและประสงค์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัตนะิก็คือการที่เรามาเจริญสตินะและก็ขอให้มีความอดทนมีความเพียรความพยายามความศรัทธานะให้น้อมนำนะให้การประพฤติปฏิบัติ ของเรานำไปสู่ความไม่ประมาทก็คือมีสติอยู่ทุกเมื่อนะในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร